ภิกษุทั้งหลายการไม่เคี้ยวไม้ชําระฝันมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการคือ 1. ตาฟ้าฟาง 2. ปากมีกลิ่นเหม็น 3. ประสาทลิ้นรับรสได้ไม่ดี 4. น้ำดีและเสมหะหุ้มห่ออาหาร 5. เบื่ออาหารภิกษุทั้งหลายการไม่เคี้ยวไม้ชําระฟันมีโทษห้าประการนี้แหละิิษุทั้งหลายการเคี้ยวไม้ชําระฟันมีประโยชน์5ประการคือ 1. ตาสว่าง 2. ปากไม่มีกลิ่นเหม็น 3. ประสาทลิ้นรับรสได้ดี 5. ้าน้ำดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร 5. เจริญอาหารภิกษุทั้งหลายการเคี้ยวไม้ชำระฟันมีประโยชน์ห้าประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชำระฟัน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 รูปใดเคี้ยวต้องอาบัดทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชำระฟันยาวแปดนิ้วเป็นอย่างมากและภิกษุไม่พึงใช้ไม้ชำระฟันนั้นตีสามเณรรูปใดตีต้องอาบัดทุกกฏ สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเคี้ยวไม้จำร้าฝันสั้นเกินไปจึงหลุดเข้าไปติดในลำคอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเคี้ยวไม้จำระาฝันสั้นเกินไปรูปใดเคี้ยว ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้จำระฝันสั้นสี่องคุลีเป็นอย่างต่ำ